เพื่อนมิพัทุกี่ทุกๆนเนื้องนิดทุกคนเจ้าเรือนนะจ๊ะหอว่ากายยึดกระทุกๆทางกายเจตัสสิทุกๆทางใจเราพุทธศาสานาให้ละเจตัสิทุกปดทุกทางกายกำหนดหดูจคือจะมาทุกขั้งอนิยัสทจังสมสมัยจักรพาวตนาสูตร สูของอริยสัจอริยสัจที่พระพเจ้าองค์ไหนมาเทศกัมาเทศอริยสัจที่ละมันจริงยู่พระพุทธเจ้าเม่มาเกิดมันก็จริงรู้งั้นถ้าเจ้าเมื่มาเกิดก็นก็จริงรู้งั้นบัคขาโลกอริยสัจทีเนี่ยเทศจะพวกมี้กังว่นกังคืนพวกแกเก็บตายกับเทศจะพวกมีกังวลกังคืน แก ต, ตัวสักจะท่านดังว่าันท่านทั้งนัะนมันจิท้อท้าแต่ว่าเปรียบเหมือนป่องว่าันตีประกาศด้วว่าสันน้ม่นปิดบังทุกทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกหิ้วทุกอยางทุ ก, ทกหิ้หวเข่าละหาหน่าปวดวิจระปัสวะ ทุกเกิดจากโรคแบบเบียดเบียนทุกเกิดจากกดูแฝป่วนทุกเกิดจากเปลีอนเอเดียบุญว่าเสมอทุกเกิดจากโรคทั้งพวงเบียดเบียนทั้งคนละกายโรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลื้นโรคในไตโรคในบกหัวใจโรคในตับโรคในปอดโรคในฟัน ลาา้มนาดถินฟันเพราะวะ่าโด่งได้ดังเพราะวะ่านทธิดวงจะมู ก, พ ก, นนกเบาบารพราะวะ่าโร่งถ้รนนักถววนเบาของฤิธิ์ดวงถ้วนเพราะว่าโด่งได้ตับเพราะวะ่าโด่งได้ใสโด่งได้ปอดขอปดจะพโลกจะพวงเราจะท่านประการเกิดน่ายเนี่ยนี่ทุกา ม, มากนี่ถอมากเพราะฉะนั้นทั้งหลายจงพี่จันนาเนอะอ่านทีน่านาม ส, สัญญาสัญญาไปแล้วคว่มจำไว้ จำว้นะสัญญาโลโโลกหน้าตาโซตาโลคโลกลในหูชิวหาโลโคโลกหน้าลิ้นกายะโลโคโลกลใน้ากายมุขขาโลโคโลกหน้ากท่านตาโลโคโลกใน้าฟันชิวหาโลโคโลกหนลิ้นร่วมเรียกกันว่าสุขสกุลละกายตาหูสมูกลิ้น ได้สามารถเป็นโรกได้บกหัวใจก็สามารถเป็นโรกได้ส่วนบกหัวใจเป็นที่อาศัยของน้ำถ้ำแต่สามารถมีมมกิเลสมาสิงสถิตอยู่ดยได้มามีสิงอยู่ในานา้ำถ้ำเพราะไมีโลภไม่โกรธไม่หลงมาสิงอยู่ได้แมโนวทาก มนุษย์ถ้ำกล่วาว่าชาติศีรพิทุขาและถือวัดเอาโลดใน้แต่โรกธาตนับจะมนุษย์สัตว์เกียร์านเปิดอสุรกายสังขารโลกโลกคือสังขารสังโลกโลกคือโมซั์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน มนุษย์โลกเลยแกโลกที่เร า, าอาศัยอยู่นี่เทวโลกไล้แาาากชากรรมพัฒนาหกสั่นพุทธมโลกเลยแกรูกปพุ่มชิบหกสั้นกับลูกประพุหมสี่สันส้นพวกพวกนี้มีทุกบัตรเพราะมีกมิเลสคิดกันจะว่าหน่อยมาทำสูงั้างบุกรบุมีพระพุทธเจ้านั่นเลยตัดว่าสรุปลงมาทุกเสมอกัเสมอนากองใต้ ลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขานทั้งปวงเรียกว่าใจลักษณะปามันลักษณะดก้รนละเอียดแก่เพียสามอย่างอันนี้จะตาความเป็นของมัเที่ยงทุกขตาความเป็นทุกขอนัทธตาความเป็นของม่ใไสยสุนพระพุทธเจ้าที่จัดทุกเสมอการมดเสมอหนาของไส้แล้วนำจะพม่โดลงมาสิ่งที่มีวม่ยากข้องสิ่งว่าพระพุทธเจ้าจัดกันกองทุกเสมอการมดจังหวะลักษณะที่มื้อที่มีเสมอกันแก่ทังขานทั้งปวงไหม เรียกว่าไตลักษณะนะครับไตแปลว่าสามเนี <that> time, ires, failed, it, ่ยผ่าไตหนึ day, day, other, s, ่งกับอันนึงลักษณะที่มันทุกข์มันไม่สามอย่างมันโเทียงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันคือยู่เป่าเดียวกันมดนยุ่คนละเป่าอยู่เป่าลูกเป่าหน้ามาแล้วมันทุกข์ยู่วันหนึ่งอันนี้จังสิเป็นยู่วันึ่งอนาตตาสิยุ่ปหนึ่งยุ่นเดียวกันอยู่ปแ้เป่าลูกเปล่าหน้ามาเออทางหลายจังพี่ากหาให้เบื่อนายซะ เมื่อนายความล้มของตนแะเสียว่าท่องเที่ยวในวัตาสงสารลงอีกว่าสันทำความเมาไหสรางเส้าว่าสันปิป่าสมิโยนอริยัสมุขฆาตโกรนยุอะไรถอนความอะไรในวัดตาสงสารเส้าว่าสันวัตถุปเทโทตันหักไคโย่ไปถอนเสียซึ่งวัตตะซะและตันหาทางป่วงเร้าว่าันความทะเยอทยานในวัดตาสงสารจะหายหนี้แกวกเธอทั้งหลาย พวกเธอทางร้งายทั ย, ยอยนเทียรานี่วาตาสองสามอย่าื่อยอที ย, ยร์ยนก่คาุกนั่นเองพรอพุทธเจ้าไปทางรัดได้ไหมธรรมจักปรปวัตนสูตรก็มีทั้งอันนี้จังทุกครังอาณาจัมีทั้งศีลสมาธิปัญญาในนั้นกันเขาเพิ่นแสดงศีลสมาธิปัญญาใ น, นตัวสมัยใช้มาแทะแสดงธรรมจักขปวตนสูตรป ร, ราชกิกรีกับพท่นมีนักฆ่าที่เสษทุกสามกับม่บุมี อันยอดสองนี่คือปติปกติกทัพสองปเสยเสวเจของท่านนี่พรท่านเนี่ยบรรยัตยอีัน่มันครบหมดลือที่พระามขันร่วมตรงนพระไตรในร่วมตรงไนประจักกระพวัตนาสูตรทามมัจักตังประวัติที่ตังอปฏิวัติยังสมณะนว่าพระมเนนว่าเทเวนว่ามาดุนว่าพมูลวานครบหมดละครบพระไตรปิฎกสูตรเดียวเท่านั้นะครบพระไตรปิฎก ยุ่งายุ่มากเนี่ยแคนมาทำพิษร้ายก่อนเลยตั้งกดขึ้นเสนาเก็ไปเจียมคบมาแล้วเพราะพระตจปิโกธแหละถ้ามาสักก้อนสาสูตรสูตรเดียวสำหรับครบวดสาสูตรสารสูตรนี่ยครบพระตจพิโรธวัดทุกสูตรมันขึ้นยกับผู้ขยายออกดอกขยายออกจากเอกราณีบาทเี่ยมันก็ไครบพระไตพิรธวัดสัญญ์ยนตลงมากยนตลงมหาเอกราบาทยนมหาชี้ท่าใจมโนผูฟังขมาทรรมามโนเสดสามโนมายาทับทั้งหลายเป็นมีใจเป็นไหอย่างเ ขยายขยายออกกัไก <Listening> ่ขัย <Yes. S 1> ่นขัล่นลน้องมหาใจเดยน้องมหาใจเขาไม่ยังมีตาบาปเขบุญเท่าไรดีกว่บาปแดงเปิดสองบาปทั้งโลกี่บาปทั้งโลกพุตรละบาปทั้งโลกพุทระนับจ้าพระสวดาวันเจ้าท่าข้ามีอนาค้ามีสวนอรหันวันเนี่ยจัดว่าเป็นบาปบาปเป็นทั้งโลกกีตัําก็นั่ลงมากบาปทั้งโลกกี่อันนี้บุญทั้งโลกกีกัตั้มโนต้นนั่งลงมาก็เป็นโลกี่บด บุญโลกเกศบุญโลกเกคือบุญศาสนาอื่นบุญโลกุตรละชื่อบุญไม่ศาสนาพุทธโลกุตรละในศาสนาพุทธไม้เอาจักรพรรดิ์สสดาบัณเป็นต้นไปเป็นพ่อแม่จันเบื่องต้นถูวัชพัโนโฉวยยาสามีเจเป็นพ่อแม่จันเบื่องต้นถูกวัชพันโนตากนันลงมาเป็นโลกเกศปิดยังเชิงไม่โลกเกศมาปลเปกับโลกุตรละก็เอาความสวรรค์เพาะเจ้าองค์อื่น เอาสอนหักที่อื่นๆมาปลกันครับคำาสอนพระพุทธศาสนาเปนของมิ่งเพราพระอาจารย์วางตนพนะพุทธศาสนากรรับร้องจะพระสวดาบันเท่านั้นโจกเทปโนเท่านั้นวิชุญาญาสามีสขิส ข, series, ขจบพ่อมาจันถึงสามีมีกีจบพ่อมจันข้าสอนมันหลายหลายไปไนกระซ้างอย้อลงมหาใจมโนฟังขมาธรรมามโนเสสะมโนมายาทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ แต่ทัเงน็้แล้วก็ดูใจพาใจเป็นหัวหน้าได้ใจเป็น้าธรรมผู้ฟาธรรมอากาศที่โง่ก็ยู่ทุกการทุกเวล่าดวงไใจเมื่อทำบาปก็ได้บาปทุกเวล่าเมื่อทำบุญไปคิดพุทธสองพวกคุณยังไม่แล้วนี่แล้อะไรเรอยังไนีย ปูสมเดชมาแล้วหรือยั ง, ง เ, เ, เรียกปูสมเดชมาสิเรียกปูสมเดชมาปูสมเดชปูสมเดียกเรียกเปูสมเดชมาเรียกอันนี้อะไรเย็นไหมเนี่ยนี่นะไ ป, ไปไหมา เย่าปูดสมเด็มาจะพูดอะไรก็พูดแสนนั้นก็ได้ถ้าทำอะไรเย็นก็พูดแสนนั้นพูดแสนนั้นก็ได้มา แต่แล้วนี่ก็ยังเลี้ยงแตง่ีูมาที่แรกงูมีมากแล้วดูฝนนั่นงูในภูเขามันจะออกมาตัวเขาขาวเหมือนปลาไหลก็มีไม่รู้จักชื่อของมันถามคนที่พวกอยู่นี่ก็ขเขาก็ไม่รู้จักชื่อมันเลยตัวเหมือนปลาไหลก็มี้ล่เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยทาหนอกค่ะครัว่าเราไม่ไปเหยียบมันแล้วถ้าไปเหยียบมันมันไม่ทําเนอก เราแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาติดต่อกันอยู่เราจึงอยู่ได้นะคุณคุณแผ่เมตตาลงจนถึงอนัตตาธรรมอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรอนัตตาธรรมที่ไม่มีไฟเมื่อคืนนี้ก็แผ่เมตตาอยู่วันไหนบรรดาแผ่เมตตาติต่อกันแล้วมีเพี่อนนอกมาเยี่ยมนะฮะเมอคือยู่ในรเสือยนเสียงสื่ะฮะเมื่อคืนอยู่ในร้านเสื้อผ เรียกห า, กหานั่นแหละหลวงปู่ก็แผ่เมตตาแะโยนี่สี่ทุกโยนี่สี่ทุกต่นหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกมาเถิดโยนี่สี่ทุกส่วนหน้าแ ล, ลึกได้มันได้พอดีจงเป็นสุขในพุทธธรรมสง์อยู่ทุกมาเทิดเป็นสุขในพุทธธรรมสง์คือเป็นสุขในโสดาบันสัคขาคามีานาคามอีาอหรหันมันเป็นสุขไม่ถอยหลังไม่ใช่สุขในอามิ t h เมื่อสุขในพระพุทธธรรมสงแล้วอามิ t h เป็นมาเองนั่น หาไม่ ati, สมพอได้พอได้แผ่เมตตาจนถึงโลภุตระธรรมเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีภัยเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีศัตรูโยนิสีทุกขั้นหน้าจงเป็นสุขในพุทธคำสงฆอยู่ทุก่นาทอีโยนิสีทุกขั้นหน้าแล้วกได้เมื่อได้พอดีจงเป็นสุขในพุทธคำสงฆอยู่ทุกนาทีแล้วก็แผ่เมตตาอย่างนี้ แผ่เมตตาลงจนถึงอนัตตาธรรมเป็นธรรมอันว่างว่างจากสรับจากบุคคลว่างจากเวรจากภายัยเป็นจิตอันว่างจากเวรจากภายัยเป็นธรรมอันว่างจากเวรจากไปจะไปไหนมาไหนไม่มีเวรม่มีภัยละถึงมีมันก็คืนหาเขาไ ม, ไม่มาหาเราเราแผ่เมตตาใครมาเบียดเบียนกระเด็นคืนหาเขาเหมือนกำปุ้นโต้งลงเมื่อลม เมื่อสู้ลมไม่ไหวก็พัดเข้าตาเจ้าของเหมือนว่าทำลายเช้นฟ้าเมื่อฟ้าไม่รับไว้มันไม่ถึงฟ้ามันก็ตกใส่หน้าตนเองแล้วแผลเวมีตาไม่มีเลนี่ไปจนถึงอนัตตาครับถ้าออกกากแผลเมีตาแล้วเราก็พิจารณาอันนี้ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอ่อเขาลมให้ใจท้ อ, อแล้วก็พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอ่อเขาลมให้ใจเข้ออกอันนั้นพิจารณาถอนอุ ป, ปาทานอยู่ในตัว เป็นนักศว่ารู้เป็นนักศว่าเห็นพื่อให้กำลมให้ใจเขาออกเพราะจะขอนอุปาทานด้วยจะทําชาติทำภพไม่สลายด้วยจะไม่เย็นดีในโลกทังกวงรวดจะไม่เย็นดีในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเป็นนักศึกว่าผู้รู้จะไม่ยึดถือผู้รู้ว่าเป็นเราเราเป็นผู้รู้ด้วยเมื่อยึดถือว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตด้วยจิตก็ว่างเท่านั้นไม่ยึดถือเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราผู้ละผู้รู้ก็ว่างด้วย เพราะขัดด้งขดเจ้าผู้ลงถูอนัตตาธรรมไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาพ่องวามลมหายใจเข้าออกวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่มีที่ตั้งเราตายในขณะนั้นนั่นก็คงเข้าสู่พระนิพพานจะแน่นะไม่ต้องมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเองต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องรู้จักทําเรื่องต่ําเรื่องสูงเราพิจารณาพุทโธ ก็พุทโธแมพามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายพุทโธพาอยเนียในพระนียพานเราพิจนาธรรมโมก็าธรมโมส่งไว้ซึ Tails ่งพระนิพพรานเราพิจานาสังโขคือสังโขปฏิบัติเสื่อพระเนียพรานนั่นมันก็ส่งต่อได้หมดเราว่าน้โมก็นาโมพระนิยพานน้อมนอมแห่พระเนิยพานเนีมาเกิดเก็บเกี่ตายนั่นพุทธทางชนะข้าฉานีตรงเหมือนกันแต่ชนะคมก็คมอยู่ในพระนิยพานนั้นก็น้อมถึงได้เท่านั้นนั่นมันขึ้นอยู่กับจิตจิตใจของเรา ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราภาวนาอันเดีย่ะน้อมถึงพระ涅槃ใ น, นทั้งนั้ น, นล่นะโอ้ก็ต้องภาวนาพุทโธสิพุทโธพอเขาลงให้แ ก, ก็ออกไสบาตก็ดีเหมือนกันละ่ะใส่บาตรเพื่อไปพระพานก็ดีเหมือนกันละ่ะเพื่อไม่มาอยู่ในโลกนี่ เออได้เหมือนกันดีเหมือนกันขอให้ถึงท่านแล้วก็แพร่เอนั่นถูกแล้วน่ะเอออันก่อนทุกเม็ดต่ลวงอืมดีทุกทุกองที่ฉันนิจจ์อดีดีดีดีดีมากดีมากถูกเลยครับถูกยังไม่ได้ถามใครเลยนะครับถูกร้อยเปอร์เซ็นถูกถ้าว่าเรามาศึกษา พออนอนรอานกลด่าทูลพระบรมศาสดาว่ายังก้กนงานมานก่ยกกามม <c oughs> ยมาคนงานบาก่านบ่านงานหงดง้นงาน่ะม่เอานะเอาละสิอยากให้ค้นของคอยของอ่างนั้แล้วก็ พระพระอานนท์พระอ า, านนท์กราบทุณพระบรมศาสีรัตน์บุญของเรามีเพียงเล็กน้อยเรื่องกุอุทิ่ให้ปวงโลกทั้งสิ้นมันจะไม่หมดหรือเออมันไม่หมดหรอกอานนท์เอ๋ยมันยิ่งมากถ้าวีขึ้นถ้าพูดอย่างนั้นบุญของเราจะมีเพียงเล็กน้อยก็อุทิ่แท้ใจโลกธาตุก็ยิ่งมากท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสีารสัตน์พระอานานท์พิจารณาลมความตายวันละร้อยข้างพระบรมศารีรัตนบอกว่า พ่อมกำลมให้ใจเข้าออกยิ่งดีไอ้นนท์เมื่อจิตนะของเราเป็นบุญทําอะไรมันก็เป็นบุญหมดเมื่อเราคิดของเราเป็นบาปเมื่อเรานึกเราสร้างแต่บาปมันก็เป็นบาปเรมันขึ้นอยู่กับจิตของเราเออ <c oughs> แล้วปู่ลุยล็อกปูสาม้วยจากก็เคยทด้จำพรรษาด้วยกันอยู่ที่ภูเก็ตบังนาล้วปูสามล้วกปูรุยก็เคยได้อยู่เรือกันว่าน้องผือกำลังล็อกผมอ่เล็อกปู่สามเก่งทางลมให้ใจเข้าออกล้องปูหลุยเก่งทางพิจารณาร่างกายรื้อร่างกาย ออกให้เป็นธาตุดินธาตุ น, นา้าธาตุไฟธาตุลมหลวงปู่สามเก่งทางลมให้ใจทออาณาปณสติ น, น, ตนล้วก็หลวงปู่พระปองเก่งทางพิจนาอานิจจังทุกครั้งอาณาตาหลวงปู่พระปองหลวงปู่สิม หลวงปู่มหาบัวเก่งทุกด้านเก่งทุกด้านเลยหลวงปู่มหาบัวแล้วงปู่มหาบัวไม่ยอมสร้างศาลาไม่ยอมสร้างเอาไปสร้างอันอื่นเพราะเก่งว่าลูกละนั้นจะจะสร้างวัดแทนกันก็เลยไม่สร้างหลวงปู่มหาบัว ไฟฟ้าก็ไปเอาหลวงปูม่มาครับบัวไฟฟ้าก็าไปเอาอันนี้เขามาถามว่าหลวงปู่หลวงปู่จะเอาไม้ไฟฟ้าเออถ้าหลวงปู่ไม่เอาเขาเป็นทุกขนะ์เนอะดูกลางวันแสบแสบก็จะตกเหี่ยวตายแล้วให้หลวงปู่เอาซักเขบอกหลวงปู่ก็เลยเอาแต่๋ยวหลวงปู่มาหามาดูร่วมกัน มาดูมองนั่นมองนี่คงจะมีผู้ไปฟ้องมาทําศาลาใหญ่มองนั่นมองนี้ดเออไม่ใหญ่น ะ, อะพอดีออ <laughs> คงจะมีผู้ฟ้อ <laughs> งมาเห็นมานั่งอยู่นั่นก็มองไปมองมาเราก็เนยกว่าเออหลวงปู่มหาจะดุลักลที่นี่เอฐธรรมนตรีมาประชุมกันอยู่ที่นี่เหรอเสียงจะว่าแล้วฮนะเห็นมานแต่ท่านไมว่าเราก็พูดก่อนมา่าจําพวกนี้นน ถ้าในการมาหาตับตะผมอ่ะทําถวายหลวงปู่มั่นทํามาถวายหลวงปู่มั่นให้โกนผมเนี่ยอันนี้สมอันนั้นกำลังครับ <c oughs> เลยหายไปเไม่ดู <c oughs> มาจะดูก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มาคนเดียวเห็นคนหนึ่งเอามาเขาก็เอามาเห็นคนหนึ่งเอามาเขาก็เอามา <c oughs> ไม่รู้ว่าอย่างไรชื่อของเขาไม่ใช่คนคนเดียวหลวงปู่เทศก็บอกว่า มูทําหันทางทําไ ม, มลงปู่เทศมันไม่มีน้ําฉันครับเพราะการทําหันทางมันก็ขนแป๊บมาน้ําต้องต่อมาจากภูเขาอื่นไม่ใช่ภู ล, ลูกที่อยู่นั้นไม่มีน้ําครับเอออเลยดุไม่ไม่ดูทีนี้มันเข้าใจมันชอบสงบมันไปทําหันทางขึ้นภูเขาเก่งท่านจะดูอย่างไง ถ้าไม่ทำขึ้นมันก็ไม่ได้เพราะการก่อสร้างมันก็ต้องมีแต่ก่อนก็อยู่กระตับฟางคนเดียวสามปีอยู่นั่นมมนู่นมันมาก็หลังนั่นเคลื่อนว่างลังนี่เคลื่อนว่างก็สามสิบสี่ปีสามสิบสี่ปีแต่เราในชาตินี้ก็มีวัดเดียวท่านผู้อื่นมีหลายวัดแล้วท่านอาจารย์ศีไม่ตั้งร้อยวัดหลวงปู่ศีเรามีวัดเดียวเท่านี้ แต่ว่าเราไม่สรนโถดก็ไม่ถูกเรามีวัดเดียวตอนนี้หลวงปู่ศรีมีตั้งร้อยวัดแล้วเนี่ยหลวงปู่มหาก็หลายวัดแล้ววัดบ้านห้วยทรายเอ๋ยแล้วกัวัดจันบุรีเอ๋ยแล้วกับมาวัดบ้านตาดเอ๋ยสามวัดสี่วัดก็หลวงปู่หลวงปู่มหา <c oughs> เราก็ไปิเตรียมแจกเพื่อนแต่เราก็สร้างเหมือนกันแต่เราสร้างโรวงพยาวาลท่านพูดอยู่แต่สองท่านนั้มันจําเป็น จำเป็นกำแพงรอบท่านก็เลยสร้างกำแพงรอบวัดถ้าไม่สร้างมันไม่ไหวสัตว์ออกไปเขาก็ยิงสั่งอยู่ในที่นักออกไปเขาก็ยิงเป็นกระรอกกระแตเป็นไก่ป่าเป็นอะไรมีมากอยู่ในวัดของท่านออกกล้วางนอกเขาก็ยิงท่านก็เลยสร้างกำแพงที่นี่ให้ควาวก็เอานะ เยลาเฮ้ยเงียบเ่าเลยบล่าเลยวท่านบนถ้ำออกมายังคุณง่ายแรือเ่าเนี่ยบนถ้ำบนถ้ำออกมาใช่ไหมบนถ้ำออกมาคุณง่ายใช่ไหมนถ้ำออกมาเอาเทปมาคุณง่ายเลยบนถ้ไปออกบอกไปคุณง่ายพอดีหระปล่ อุ้ยอุ้ยมัะทกระเพนหมดหนาวว่าระิุนเวเมวันก่อนทนตตานังมุกกะป๋ตทดิที่สัันทังเสมาสุภสุุตสัเชยรโบเดนังต่อไปฉันดนาดที่อย่าทนิโตที่สตว่ยวัชะมาสัตว์ที่โสัตีโโโโโโโโ วิชาวิจารวุตตาวิารโยโารโหธรรมาวัชันติอายวันโหสทัศนารังสะพัสานรพิระสะพัสานรพิระสะพัังานรระเจตะตะตังตะนาตะนาสังตะระะนาสินังนาตะนานาตะนารพิระเจตระสีสีชารพิระสันารังิระเจตะกติยารรพิระเจตระสาวาคารพระปะประปะติะสะายลมนามขันอะไรก็จาก็เกิดขึ้นแล้วเรื่วนเรสลาย อันนี้จะตาไปปกครองโลกทุกขาตาก็ผลรับอนัตาตาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครอยู่ตามสภาวะทำท่าร้ายที่เป็นสังขานก็เป็นสังขานอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงทํามะนี่สังขานก็จริงอยู่ในกลางวังกลังคืนไม่ลงทํามะไม่เคลืนอยู่กับผูโลก ก็ขึ้นอยู่กับผูม้ม่รู้ทำทลายมีอยู่ทุกการอาการิโกอาการทโกมีอยู่ทุกการอาการทีโกในทางวิทยา ศ, ศาสนรคงจับหมายเอาจุกฤษสนโยเป็นต้นไปถ้าหมายต่ำกว่านั้นก็ฟันเสือสรรค์ที่โกก็เหมือนกันคงจับหมายเอา แต่คือก็จะเป็นโลเปนต้นไปปัด จ, จับตังก็เหมือนกันถ้าหากหมายเอาโลเกมันก็ค่อนเสือมากใถ้ปัจจับตังโลเกหรือสันทิที่โกโลเ ก, กคนที่เขาไม่เลื่อมใสแล้วพุทธาศาสนาเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่เลื่อมใสอยู่ไปจับเป็นสันทิพยโกหรือจะจับตังมันก็ได้เหมือนกันแต่มันค่อนเสือ่ะ พระพธศาสนาเรื่องต้นก็หมายเอาแต่สุภจแปโนเป็นต้นไปต่ำกว่านั้นลงมาไม่ต้องเอ่ยผมมชาและสูต ก, ก็หมายเอาสุภเจแปโนเป็นต้นไปบางท่านมาถามว่ า, า, าเนื้หาเนื้กายกับธรรมลึศอันไหนกันดนะะีมาถามมาถามหลวงปู่หาเรื่องใส่หลวงปู่ แล้วปู่ลงไปอยู่ภูเก็บเข้ามาถามมาล่างรอบอยู่น้าไม่ตายก็ทำอายุตอันไหนมันดีท่านอาจารย์อนะในสมัยเราอายุสี่สิบเดี๋ยวนี้มันแปลกทบแล้วอย่างโอ้นายกนายขอนายกทาผิดนายขอขอผิดนายขอขอผิดนายขอทําผิดนายขอขอผิดนายกทาถูกนายกขอถูก ในกอทําผิดในกอก่อผิดในขอในกอผิดวาทั้งนั้นความผิดไม่ถูกไม่ลําเอียงเข้ากับมนกายใดๆทั้งสิ้นกรำและผลของกำไม่ลําเอียงเข้ากับเนตายใดๆทั้งสิ้นไม่ลําเอียงเข้ากับลัทธิใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรามาศาสนาไม่ยืนยันว่าธรรมยุทธและมหาเนื้กายเป็นสาวกของท่านท่านยืนยันแต่สุภัจมโนอุทุยยายญาตสามีท่านั่งเออพูดอย่างนี้ก็ฟังเลยบางทรั้งก็พูดข้าวข้างตัว ผมโมโหมากเขาพูดบอกวัดเขามาถามนะตอนไปภูเกตเอาไปพักอยู่คนเดียวเขานอนนั่งรอกอย่างนี่เขารู้ว่าถ้าตอบไม่ถูกก็าจะทำบ้านต่อไปเวลาตอบถูกนะแล้วก็เลยหมดวันทางเขาเข้ามาลงมาศาสตร์เทรามานิยมว่าสายนั้นสายนี้เป็นสาวของท่าน ว่านบอกว่าจุปจุปโนเชื่อยายะสามีตอนนันนั่นแหะว่านิสัยยังไงเออคำสอนแต่ละวรฏวาบมันครอบโลกหมดพขาก็จะศา ส, สนามันขึ้นอยอ่กักปรญยาของแต่ละ บ, บคุคคลจะขายายออกพุทธศาสนากัปธรรมศาสศาสนากับสังฆศาสตร์ศาสนา ก็มีความโยงถึงกันพุทธประวัติก็โยงถึงธรรมประวัติก็โยงถึงพสังฆประวัติเหมือนกันสังฆประวัติก็โยงขึ้นหาธรรมประวัติและพุทธประวัติเหมือนกันเพราะมันโยงถึงกันอยู่ในตัวเนโะม ก, ก็โยงจนถึงพระเนธานพระรหัส น, น้อมจนไม่มีกิเลสเนโมไปน้อมๆ ทุตงสนานาภาษามนีรปร่าง ก, กันพระนหันเวียนไตสนะคมจบแล้วคมจนเม่ามาเกลี่ยเก็บตายอีกไตชนะคมจะไปจบในยายติปิปันูสามมาทิสิเห็นชอบก็จะไปจบกันในอรหัตตาผล เป็นสัมมาวิมุตต์โดยสิ้นเชิงเป็นสัมมาญาณะโดยสิ้นเชิงสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตต์มุตพ้นโดยสิ้นเชิงรั่วรอบโดยสิ้นเชิงทาแต่ละวัฏวับา์ส่งต่อทันยพานหมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละรายของบุคคล มาจากคำคือโมโนผุดั่องทำทั้งหลายมาจากคำคือศีลมาจากคำคือสมาธิมาจากคำคื อ, คคอปัญญาศีลตัดศีลองในตะจกบันสมาธิตั้งนั่งลงในสตสเกีรรยงปัญญารอบรู้ในะตะเกียงฉันทะต่อใจรักใ้รในตะจุบตง วิทย์เพียงอย่างเกาะในปัจจุบันจีตะเอาใจฝักใฝในปัจจุบันที่หลังษาเมื่อติดตองพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันปัจจุบันอะไรปัจจุบันที่กรรมฐานที่สั้างไว้ศรัทธาทำในกาลังพร ะ, ะทำในกําลังห้าอย่างตรงนม้นกันศรัทธาควาเชื่อในกรรมฐานที่สั้างไว้วิทยะเพียงในกรรมฐานที่สร้งไว้ สตระลึกชอบในกรรมฐานที่สั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่สั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่สั้งไว้มีความหมายเดียวกันเหตุน้าธรรมลมัสสาจึงยืนยันปฏิบัติธรมจะอยธรรนผู้ใดฉันทาในปัจจุบันฉะนั้นในวัเนี้คเสแสรในทางะลกชอบนั้นเลยและจะไม่สาวสูนเมื่อและจะไม่สาวสู่ทำร่วง จำไม่สงสั ย, ยเลยพระบรมศาด า, าเทศนาสี่สิบห้าราก็เทศอยู่มีสองในะเทศขยายออกเทศย่นเข้าทีเรียกว่าสังขะโหอสังขะโหสังขะโหเขาพูดเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็น6กเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้า พกเป็นเก 4, น 4, ้ามักสี่คนสี่นิพานหรือหลวงตุทธละทำเกามักสี่คนสี่นิพานหรือคือเป็นเก้ามีปัญหาสอนเข้ามาว่าเนืกระสมอาการปราราชิติสยังไม่มีสังขารทิตเสยที่สามก็ไม่ 2, ม, มีอนนี้ข้สองก็ไม่มีนี่ตะเคียไปตเยต์สามสิทธก็ไม่ะะ 4, 2, ม, มีไปาียร์ก็ข้สองก็ไม่ เสกเวทก็ ม, มีพุทธบัญญาติและอภิสมัยการกม็มีนี่ไหนพวกนั้ น, น, นจึงสำเร็จพระรหาัรไปแล้วขอสอบว่าทำแต่ละวทตรบาตรส่งต่อพระนิพพานหมดมีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวด้ว ย, ยมว่ใช่หน่อยต่างขนาดใครโยมชวงเพศรัอมีใช่ใช่หนังสืงอขึ้นฮะ นี่งน่า่ากันไอา่าที่ก่อนท้ต่ไปกไเยอีถ้าหากว่าเราไม่สงสัยคำสอนของพุทธศาสนาการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ไม่ลำบากใจ ถ้าเราสงสัยว่ารัฐที่ใดๆในแต่ละประเทศมันเหนือคาสอนพระพุทธศาสนาไปอยู่การปฏิบัติของเราก็ลงไม่สนิทนั่นถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเหนือคาสอนใดๆทั้งปวงแล้วครบช้วนแล้วการปฏิบัติเราก็ไม่ลังเลเราก็ไม่สงสัยถ้าเราสงสัยว่าพระพุทธศาสนายังมีปลอมร้อยตํากว่ารัฐที่อื่นๆอยู่การปฏิบัติพุทธศาสนาเราก็ลังเลหนึง เพราะความเชื่อและความรับถือของเราไม่พอเแล้วก็ยินดีในศาสนานั้นรั บ, บ้างรับที่นั่นรัที่น่นบ้างพอลูกคำถึงถ้าเราถือว่าพุทธศาสนาคําสอน ใ, นใดๆในใต่โลกทะเทศเป็นเมืองครึ่งของพุทธศาสน า, าโดยไม่รู้ตัวถ้าเราเห็นอย่างนั้นการปฏิบัติพุทธศาสน า, ามายากเนอะแล้วก็มีคนณค่าด้วยเราก็ไม่สงสัยรูปคำด้วยเอา้า พรพุทธศาสนาเอาไปกินแล้วทํำให้โรคกระบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายตบบาทความกลัวตบบาทตานนั้นจะคุ้มครองโรคได้ไม่ใช่ลรกระเบิดปรมาณูไม่ใช่เนื้เคลีย่นั่นถ้าไม่มียาอายต่อบาทมันมีความกลัวตบบาทแล้วนะก้หนไมก้หมูก้อนพักก้พวกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทำก็ไม่นําคําหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นนั่นนั่น่นนั่นถูกไหมนั่น พ, พุทธศาสนาเอาไปกินแล้วการตั้งบทกฎอะไรขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็เหลืองซึ้งไปไม่รอดพระพุทธสัมมาพัตพุทธเจ้าไม่มีกิเลสผูต้ตั้งทำตั้งไรด้ไอ้พวกเรานี่กิเลสเต็มภุงไม่เอาพุทธศาสนาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเป็นมันทัดเป็นเครื่องตัวงเป็นเครื่องวัดเป็นดิ่งตั้งอะไรขึ้นมันก็เหลียวไหลทั้งนั้นนั่น พระพุทธศาสนาของโลกแล้ววันที่โตคาลมาวาสังวันทิศเป็นผู้ครองเรือนก็หมายเอาสุปฏิปโนเป็นต้นไปนั่นนั่นวันทิ่ตป า, า, าปณิญายกาวันทิศจึงเป็นหัวหน้านัตถิพราปณิญา ย, ายากาคนผานไม่ใช่คนหัวหน้านี่คนผานคนวันทิศหมายเอาอะไรหมายเอาสุปฏิปโนเป็นต้ น, นไปนั่นนั่นนั่นผู้ปฏิ คุปติปโนเป็นผู้คลองเรือนในขั้งพุทธการนับเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเว้ยนั่นนั่นที่ว่าเมให้พระเป็นการว่าการเมืองเมให้พระเป็นการว่าการเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นนั่นเนื่องจากอาพวกก็เมียก็สอนนั่น น, น, นั่นนันพูดไม่มีที่แซงเราก็ต้องพูดมีที่แซงเราก็ต้องแซง รัชเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดามนุษย์ทั้งหลายนั่นพระพุทธศาสราสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครบหมดแล้วคำสอนไดๆที่ปีนเกลียวพระพุทธศาสนาแล้ก็ไปไม่รอดเถียงเลยละเอาพวกที่ถื้อไม่มีบาปไม่มีบุญเข้าไปได้ไหมนั่นนั่นนั่นนนน่นเขานั่นพอแล้วนะยืนยันคําสอนของพุทธศาสนาไม่เป็นคิเผิด ไม่เป็นอุปท า, านสิ่งที่ควรสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนสิสิ่งที่ควรสนรับสนุสสนจะไม่ไปสนับสนุนมันก็เป็นฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคตินั่น น, นัสิ่งที่มีค่าเราไปลบลงให้ต่ำํำเราก็ปราศะยกตนเทียมท่านนะนัคทีใดๆ หาอบายเตียนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปแน่นอมันเป็นวิชาบ้วนําลายเครื่องฟ้ามันเป็นวิชากํำฝนโตลมมันเป็นวิชาคว้าปลาค้อนใส่ต้นเสานักมวยเอกก็ลบไม่ทันคว้าไกลมันก็ไม่ถึงคว้าใกล้มันจึงถึงแต่นักมวยเอกลบไม่ทันเนอะนักเห็นไหม่ะกรรมและผลของกรรมไม่ว่าศาสนาใดๆก็ตามลัทธิใดๆก็ตาม ไม่ไหว้หน้าเธอเลยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเพราะผลของเหตุไม่หนีจากเหตุเหตุไปทางบาปเราจะไ ป, ไปบัญญัตรริว่าเป็นเป็นบุญมันก็ไม่เป็นบุญเหตุไปทางชีพหายเราจะบัญญัติว่าทางเจริญมันก็ไม่เจริญเช่นอภัยยมุขเป็นต้นนั่นบัญญัติฝืนบัญญัติฝืนพุทธศาสน า, ษ า, ษานั่นนั่น เห็นว่ามันจะเจริญอบายะมุกอบายะมุกกับโลกาว่านี่ยนกับไฟรไม่โรค ก, ก็มีความหมอันเดียวกันอบายวมุกเข้าในก็บในใจท่านผู้ใดแล้วจะหาเงินได้วันล ะ, ละล้านบาทมันก็ไม่พอใช่นู่นนะคือพระเจนปโนเอาน้านางวาริษัขายรล่อบายวะมุกไหมไม่เล่นนั่น ชูฟัตเจปันโนไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุขไม่เสียดายอยากล่วงละเบิดสินห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากจะค่าขายซึ่งประหาขานค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรน่อ ส, สัตว์ตัวข้าไปเป็นอาหารค้าขายน้ำมันคาขายยาพิษไม่มีในชูฟัตเจปันโนไม่เสียดายเสียเลยเมื <ME> ่อถือว่ามันเป็นทางชีพหายมันก็ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเหมือนทาลายที่เว้นทิ้ง ถือว ну. oh. ่าไม่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่เสียดายอยากเอาคืนมาอีกอันนีญชตดรู้เท like. mm ิไ hmm. ม like ah ่ถือศาสดาอื่นด้วยเพราะไม่เสียดายไม่เสียดายก็ไม่ลําบากสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่ลําบากสิ่งไหนที่เสียดายอย่างล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ลํำบากทําไมจึงเสียดายอย่างร่วงละเมิดเพราะไม่เห็นโทษเห็นคุณในที่นั้นไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผล ทำมันยตตาเป็นผู้รู้ตักเหตุรูจักสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นสุขสิ่งนี้เป็นเหตุเห็นทุขอธันยโตตาเป็นผู้อะไรรู้จักปัจจุบันผลอย่างเหตุอันนี้ทุกเป็นผลอย่างเหตุอันนี้ะทำอันนี้เป็นธรรมสุขเจปนนุเป็นทำของสัตว์รุษเป็นนงานที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นล่ะจึงจะไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมเยกประตูมนั่นตูมนี่ตูมไปที่นั่นตูมไปที่นี่ตะแกะต้นไม้บ้า ไปแกะต้นตะเคียนหาเลขบ่างใครก็เคยไปแกะรับขาวบ้างอยู่นี่ไม่มีดอก <c oughs> จริงตอนนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะ พ, พิจารณาทั้งนั้นละ่ะถึงจะมีน้อยกว่าตามเดี๋ยวดอกชาวพุทธมนะันเป็นเครื่องอบอุ่นของโลกบางแห่งพระบระมสารีรากล่าวว่าบางแห่งถ้าอารดนปะกาศทูลพระบระมสาราาีราห์ ผู้จะไปสุขคติเมยมากขนาดไหนพระเจ้าค่าจะเทียบได้ไหมเออเขาโคกับขนโคถ้าบวกโคเข้าก็บวกเขาด้วยก็บวกขนด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเอาฝ่ามือฝ่ามือกดลงที่แผ่นดินที่ติดขึ้นนี่แหละ ที่เป็นไปสุขติเหลือนั้นเหมือแผ่นดินนั้นไปทุกติหมดนะ mm hmm. ก็ฝากไว้กับพระเจ้าองค์อื่นๆไปอีกไม่ฝากมันก็ฝากอยู่ในตัวเพราะกรรมและผลของกรรมของใครของมันมันเป็นเอง mm hmm. ขอความเป็นธรรมจากใคร mm hmm. เคยได้ยินบ่อยขอความเป็นธรรมบ้า mm hmm. การเป็นธรรมจะขอจากศาสนาไหน ขอจากศาสนพุทธหรือขอจากศาสตาอื่นหรือรัฐที่อื่นถ่านก็ให้ถูกแค่ไม่ต้องขอหรอกความเป็นธรรมเพราะกรรมและผลของกรรมเป็นเวีรบาปดำนานไม่ลำเอียงแล้วแล้วทำดีจะตายทำไมยิงไม่ได้ผลดอโอชาติก่อนท่านทำอะไรไว้บ้าง กรรมแล้วผลของกรรมให้ผลในภพนี้และภพหน้าก็มีนัดให้ผลในภพสืบก็มีให้ผลเป็นลําดับก็มีให้ผลตามจิตก็มีนัดพระพุทธศาสนาลึกซึ่งไหมลึกซึ่งแทๆ้ๆคนที่ไม่เริ่มสายศ า, าสน า, าพุทธอย่าวังเลยจะถึงสุปฏิปันโนไม่ถึงดอกจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามเถิดไม่ถึงไม่ถึงสุปฏิปันโน ผู้ถือศาสตราอื่นไม่สามารถถึงสุภจรปนูมีในมหาปณิธานสูตรพูดใส่น้ามมหาเลยเราไม่ได้เรียนเหมือนพวกมหาดอกพวกมหาเรียนถ้าไม่ถูกคัดค้านมานี่พวกเรียนทั้งนั้นคมภีแตกนะเนี่ยคำพีรแตกกระเจิงเราเพิ่เราไม่มีคัมภีอะไรหรอกรับตา พวกคุณมหานเหนี่ยคุณพี่แตกเลยพูดใสน้าเลยไม่มีไม่มีสุภเจปนูศาสดาอื่นไม่มีสุภเจป น, นมหาปฏิญญาพานสูตรบอกชัดแล้วสุปัททะศาสนาอื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทยัญยมีทีของเขาจะมีสมณะขั้งสีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าหย่าเลยหย่าเลยพระบะรมศาสานาน เราไปพูดเข้าข้างตัวหรอกเราพูดตามธรรมมาที่ปตัตตัยศาสนาอื่นมีดาดื่นท้อมเถอย่ามาเอาปนเป พ, พูดกระเพาะพุทธศาสนะเลยเพราะศาสน า, าอื่นหนักไปในทางวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอ น, นิจจั ง, งพังนธุ์ผู้นัน้นแม้ตัวของเขาหัวหน้าเขาก็เป็นสุภเจพไม่ใช่สุภเจปโนใช่แล้วเขาจะเอาสุภเจปโนมาจากประตไหนเขาบรมศาสตร์น ถามีชุกชักบโนชุกยายะสามีก็มีในศาสตราพุทธเท่านั้นถ้าศาสตราพุทธไม่มีก็มาอันอื่นก็อย่าวังเลยท่าพูดย่างนมีในเท่านั้นมีในศาสตราพุทธท่านพูดอย่างนั้สวัสดย์ลาสสาลีบุตราายอมตนมาเลื่อมใสพระอัชิเสียก่อนนั่นออกกากนนชัยนาฏบุตรมาเมื่อเลื่อมใสพระอัศเชิแล้วมันก็เป็นเลื่อมใสพระธรรมพระสุ์ พระพุทยอยู่ในตัวนั่นนั่นแล้วจึงสามารถถึงพระสวดาบันนั่นเช่นพระพาหิยะอย่างนี้ก็เลื่อมใสพระสมมาสระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อเลื่อมใสพระสมมาพระพุทธเจ้าแล้วก็โยงถึงพระธรรมสงฆ์อยู่ในตัวแล้วจึงําเร็จพระรหัตในวันนั้นนั่นนั่น คนผู้วาดศาสนาสูงยึงบันดาลเลื่อมใชพระพุทธศาสนาสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วบุคคลผู้สร้างบารมียังต่ำอยู่เป็นดอกบัวใต้น้ําก็ยังไม่เรื่อมใสพระพุทธศาสนาละผู้ที่เรื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนที่โง่เนอ้อคนสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วสวนเข็มได้แล้ว อย่าไปสงสัยเลยพวกลูกเล็กเด็กแดงของเราก็สอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขารู้ประวัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างไม่ต้องรู้ความเป็นมาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างถ้าไม่สอนให้เขารู้ความเป็นมาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเมื่อพวกเราตายไปเขาไม่ใส่บาตรให้กินเนอเขาไม่ทําอุทิศฐาเนอนั่น ภาวนาสองโลกิยภาวนาโลกุตระภาวนาภาวนาเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารเรียกว่าโลกุตระภาวนาแต่ถือพระพุทธธรรมพระสงค์อนศาสนาอื่นๆจะภาวนาจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายัตนะผัาก็ไม่สามารถถึงพระโสดาบัน เึ้น阿าดาบทอุตกราบรทร า, บ ร, รามาบุตรเป็นต้นเพราะยังไม่ถึงไตรสรณะคมเหตุฉนั้นจึงเป็นโลกียอยู่ตายจากนั้นแล้วแปด0มื่นสี่พันกับอานิสงยังเป็นโลกียอยู่เพราะไม่อย่างถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เขากเรามาศ า, ษ า, ษาสาตราทัสโรให ม, ม, ม่นึกว่าจะไปเอาท่านพวกนี้ มันหน้าภาพไปแล้วเจ็ดวันแล้วพระเจ้าข้าพระองค์รู้เองเช่อส ม, มุ่าเทวดามาบอกถึงเทวดาไม่วาบอกพระองค์ก็รู้เองเพราะจุะะตูปปาตยานของพระองค์มีแล้วเออเข้าในะั่ถ้าเรามาเทศนานี่ก็สามารถจะถึงพระสวสดาวันก็เลยผ่านนั่นไปไปหาพวกกันจวักทีนั่น เสียดายหนอเสียดายหนอไปแล้ว เ, เรียกว่ามณัณนนะมานมานคือมณนนะททำให้ท่านตายไปสักได้เสื้อใหญ่นุ่งแล้วอย่าไปหลง ได้เสื้อใหญ่ปกหลังเมื่อพวกเราคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณเนอจะย่นลงมาเป็นพระวิสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็ตามก็ไม่มีเทวางเป็นคุณใหญ่หลวงภ้าสารีบทเดินยังกลับไปกลับมาบอกว่าข้าพระองค์แล้วเลือกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีที่สุดเส้นพระเจ้าข้าเออ เธอจะแล้วเลือกอยู่กี่กั้กี่กรั้ก็ไม่จบไม่เส้นยงเพราะเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ลเลือกได้มากสิผู้มีปัญญาน้อยก็ลเลือกได้น้อยเธอมีเสือกยาวเธอก็ถึงได้ไกเธอมีกำลังมากเธอก็แบกของหนักได้มากผู้มีกำลังน้อ ย, อยก็แบกของหนักได้น้อยเหตุนั้นปฏิสัมพินธ์สี่จึงมีในะรัพุทธศาสนา เธอไป็นผู้แตกแขนอัดนายทำเธอก็ต้องและลึกได้มากสิถาบารมีสากเสน่ห์ฉะนั้นจึงยืนยันอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโธอัปมาโนสังโธประมาณนัปปณปปณณนตานิสิงสะปานิยมิจิการสัจปปิกุานาพิสปุวกุติกาะประมาณอื่นมีประมาณประมาณคนพระพุทธธรรมประสงค์มีประมาณถึงจะย่นลงมาก็ไม่มีที่ไว้ถึงจะขยายออกก็ไม่มีที่ไหวมีคุณมาก เป็นอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับคือคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับคุณพระเนานต่างกันอย่างไรก็โยงถึงกัน เหมือนกลางตัวของเราก็โยงถึงหัวเราเหมือนกันเหมือนหนังหุ้มอยู่รอบของเราก็โยงถึงหนังหุ้มหัวเหมันกันนั่นพุทธะมสมเบื้างต้นชุบุญเจปนูพุทธะมสมเบื้องปลายคือสามีกินั่งนั่งสี้นสมาธิปัญญาบื้องต้นคือชุบุญเจปนูศี้นสมาธิเบางปลาย คือสามเน่ยมังยิกิชินพระสวัสดาบาลศินสมาธิปัญญาของพระสวัสดาบาลชินสมาธิปัญญาของพระอทาคามีศินสมาธิปัญญาของพระอนาคามีชินสมาธิปัญญาของพระอรหันต์มียิ่งยอดกว่ากันเป็นลำดับศินสมาธิปัญญาของพระปัจเจกินสมาธิปัญญาของพระสมานพระพุทธเจ้ามีญาณทรัพย์ยศต่างกันเร็วกว่ากันที่สุดเหี่ฉะนั้นจึงว่าพุทธสี่ยมผู้ สัมมาสัมพุท ธ, ธะจำพวกหนึ่งพัจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกาพุท ธ, ธะจำพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งมีประโยชน์อะไรพูดอย่างนี้มีประโยชน์เพื่อเป็นธรรมวิจยะสอดคลองธรรมเพื่อหัดให้แจกฉันในอัดในธรรมเพื่อไม่สงสัยในปัญหาของตนที่เกิดขึ้นเพื่ยงธรรมะทั้งหลายเข้าใส่กันได้ ทำแปลว่าทรงอยู่มีอยู่อริยธรรมเอกทิโตนะโรอริยธรรมอยู่ที่นอและชนทำอะไรพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่สองธรรมโลคิยาธรรมโลกุตตะรธรรมศีลก็มีอยู่สองโลคิยาศีลโลกุตตรศีลสมาธิก็มีอยู่สองโลคิยาสมาธิโลกุตตะรสมาธิ ที่นี่จะพูดอะไรก็พูดลนไปสะเดี๋ยวนี้เวลาไม่ให้เนอะตั้งเดี๋ยวนี้จะเอาเวลาอยู่ที่นี่มากนานขนาดไห น, น <c oughs> รูปชายาก็อันนี้จังผม <c oughs> เป็นสนรนะสะิสำหรับอัตมาน้่มันไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันให้เอารูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปบูชารูปอัตมามไม่ดี ลูกหลวงปู e ่ไม่ดีหรอกรูปมีจิเลตเราลูกพระพุทธธรรมประสงค์ไปบูชาพระพุทธธรรมประสงค์รอยพระบาทพระพุทธรมประสงค์เหยียบไว้สุวนรณนามาลีเกก็ดีภูเขาคิดตะกูด็ดีแม่น้ำน้ำมาทาคดียโหนกปุรีก็ดีบางท่านก็อ่านโยนักกะยโหนกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคำจริงอันไหนของ รอยพระบาทที่พระบรมศาลาเอาไว้ในพระสูตรถูกอยู่ไม่ทัดข้าศแต่รอยพระบาทพระบรมศาสลาเหยียบไว้แล้วรอยทางรอยศีลรอยภาวนาในทางปรัมภะเหยียบใส่หัวใจพวกเราแล้วรอยพระบาทเหยียบใส่มนุษู้ฟังเราทีนี้อันนี้ก็เป็นรูปภายนอกเฉยๆหรอกออืเอาลูกพระพุทธธรรมพระสงฆ์แเ้าลูกทานลูกศีลลูกภาวนาไป อันนี้สมมุติสมมติเ้ฉยๆก็ไม่สําคัญตนถ้าให้เราแจ ก, กเราก็ละอายจะแจกถ้าใครก็ว่าเราเนี่ยเต้นสามศอกออกสามวานั <c oughs> ให้กับเราเต้นสามออกศ อ, อกสามวาเต้นสามศอกออกสามวาลูกบา้บาป้าปอ บ, าบามาให้บา้านท่านก็เออ และยำเก่งหลวงปูน่นี่สำคัญตนเราเป็นผู้เก่งผู้กาศแจกรูปให้เราต่อที่ประชุมสงด้วยเห็นชี้เธอาหลวงปู่แล้วทีนี้จะม อ, อบคืนให้คุณทีนี้ม อ, อบคืนให้เจ้าของเออพุทธธรรมสังโค ข้าแล้วนึกได้ไม่นึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาบพระพุทธพระธรรมพสงฆ์อยู่ทึกเมื่อขอให้พระพุทธพระธรรมสงฆ์ที่รถเยี่ยวรถเห ย, ยียบย่อมโถน้ําลายคายน้ำมูกใส่ในสกนลลรกายสกุลนวายการและสกลและใจของข้าพาเจ้าเป็นบุคลาธิฐานอยู่ทึกว่าไม่มีประมาณทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติมีเท่าได ข้าพเจ้าจะขอทูลถวายสกลลกายวายใจายใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภรงสมบัตินิพพานสมบัติทูลถวายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ท่าไหร่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมอใดที่บุญพ้นไม่กลับกรอกเมื่อเหลือเศษข้าพเจ้าจงรู้ตามเปจริงในขณะนั้นเพื่อได้บัตตามเปจริงในขณะนั้น รุดพ้นตามเป็นจริงในขณะนั้นโดยสิ้นเชิงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเธอทัสนานุตริยะข้าพเจ้าจงเหียเห็นเยี่ยมในปัจจุบันด้วยวฏตถิปทานุตตริยะข้าพเจ้าจงปฏิบัติเยี่ยมในปัจจุบันด้วยมีมุตตานุตริยะข้าพเจ้าจงพ้นเยี่ย ม, จจย ม, ม, ยยยมไม่มีเหลืออยู่ทุกเมื่อเถิดอ้โวหารโหรหัดโหรหันลงสิหานลงในปัจจุบันโวหารกับโหรหอนอันเดียวกัน ถูก ไ, ไหมโวหานกับโวหอนก็อันเดียวกันถาน้ถามาได้ไปละถ้าไม่ฝืนไปเดี๋ยวก็พูดดูไม่จบละเียวเดี๋ยวให้ให้พระนิาพนานเพื่อพระนิพานเพื่อรับก็เพื่อพระนิพาน ผู้ให้ก็เพื่อพระเนรพลผู้รับก็เพื่อพระนรพานผู้ให้ก็เพื่อพระเนรพลไม่ได้ต่างคนต่างให้เกเรกันเอา้าพุทธโธธรรมวสโังโฆผู้ให้ก็เพื่อพระเนรพลผู้รับก็เพื่อพระเนรพลเป็นโลกุตระให้เป็นโลกุตระ ร, รับ เอ็มเจดียาธรรมะนี่มันจะสูงมั okay? ้ยะนักธรรเอกนะพวกก็เลี ok ้ยนแปรก็เลี้ยนเก็เลี้ยนแปรก็คือหลงเรื่องแต่ภาษาก็คือธรรมะอธิบายสูงกับนักธรรมเอกนะเรื่องอนัตตาต่อนัตตาได้เถิดทั้งสี่คนเป็นคนบ่มีตุกขวัตคนที่จะหน้าอนัตตาก็คือ ธรรมทัพสอนพระพุทธเจ้าสูงยังอไรอนัตตาในอนัตตาสินอนัตตาสมาธิอนัตตาปัญญาสิทธิพิมพ์สินสมาธิปัญญาก็บอะไรสิทธิ์พิมพ์กายว่าใใจกขอบอะไรมันก็ได้นอบน้อมว่านี่เบ้อคว่ำดีคว่ำซัวในสระเดิว่าออกควันช้าราพระเจ้ามนลาประไซออ ก, ออกควันช้าออกตามทีตะเบือนนี่คือลาพระพรุทธเจ้าถ้าเทลาปรไ ของถึงพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเมื่อบาเ่มีประมาณถึงพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อละเมื่อใดล่าไระไซล่าพระคุณพระธรรมพระสงฆ์ล่เศีลสมาธิปัญญาของพระไซล่าพระไซล่าตะปีตะเดือนเนี่ยมันตัว่าล่ามันมันก็ล่าเขาอยู่มันเขามันลวงไปชีวิตเท่าลวงมากรวงมากลวงปีเดือนมามาเบืงโลกเบื้องโลกกับเบื้องทุกสารเดียวกัน ดูละครก็ดูคนดูคนก็ดูละครเหมือนมอหนึ่งดูโรคก็ดูทุกดูทุกเขาดูโรละอันเดียวกันี้ดูอนิจจังเขดูโรคดูทุกเขาดูโรคดูอนัตตากขาดูโรคดูนิ่งภาพแฝมกันมันดูโลกด้วยกันดูทั้งขาด้วยกันพวกเก้าน่ะมือเห่ามาลงโลกห้างธรมาท้องเที่ยวเนี่ยต้อเกิดแก่เสียตายเพราะไส้หนีจะหอมม้วนจบ ก็ปวดหลงจะคล้องใส่หม้อหั่นจบกัมาเป็นขี้ขาโรคขี้ขาโกดขี้ขาลงมด้วยนี่แหละใส่หม้หั่นจบด้ผู้คนใส่จบแล้วเพราะเขาโู่เขาในียพานล่ะหมูเห่าใส่หม้หั่นจบเป็นนี่จะคล้องลูกเป็นีคว่หลงจะคของตั้งแด้มาอทองเที่ยวนําคว่ำหลงจะคของใส่นีจะค้องหมดแล้วกับหม้อมาละเขาซ่เขาเนี่ยพลาดละมันเป็นน้าผู้ได้เป็นน้าหมูเหา เป็นน้ำมูห่าวหลงื้อมูห่าหลงโลกมูห้าก็ในบ้านท่องเที่ยวยน่ในโลกผู้่นมาหลงโลกเพราะเขาูัวราในบ้านเนี่ยโอ้คือดังแห้งจ้ะเดีย๋ยวเอาต้องซื้อมาแกกันทะว่าพวกด้ว่าสิมากอีกพวทันมาตัวเหมือนเนี้แมนบอกม่าเป็นพวกนี้ตัวบมแมน แจกพระนั่อมาแจกพออรนะนั่นั่ซื้อพุทธามสองให้แจกนะเออแจกนะซื้อพุทธามสองแจกนะเอาไปแจ ก, เ อ, แกเอาอีกขั้นไว้มากๆมาก ซ, ซื้อไปแจกใครได้มาก มาใส่สันอ๋ออุ๋ลียเลียมเนอะคุยุ่เหี้เดียวเอาเลียมเดียวเมื่อเหี้เดียวมาหลายคนเอาเลียมเดียวพระเนี่พระเอาให้พระเอาครบเออพระเอาให้ครบน่าวเห็นเหนเหนยอะนี่ยในมะข่อืมน่าวเห่นหันันเยอเนี่ยแล้วปวดแขวะกับปะเนี่ยปวด ว่าเขาทุบทุบทุบทุบทุบอยู่คุ้งวัดทุบทนองหมดเ